สวนโลกตระมกวนผสมขับวันเปิดตัวไปสวนโลกีมเกษตรวันจะสมบูรเป็นเ้าของเจ้าข้าก็ไปอยู่แล้วมันอายุง่ายมองสีกาแฟ้ะสุดเข้าง่าย้าใจง่ายจะมันอายุง่ายอายุบ่ยานไ่นาคือไปไหนเนี่ยคือ ม่กี้เจามองสุกติเป็นวังได้เพว่าพิเตสังกติเทสุกติฟาติทางไกลเอาเยอเอาเนี่ย่ะเออก็พอฟังไหเออเออเออเนอเออเออเอเอาเอเออเออเออออเเออเออเรอเออเออเเออออเเเเอเอเอเอเ อะไยังหรอไหนไหนโลกเป็นสวรรค์โลกกุตระพมโคกีกัยังไม่เอกับพ่อมโลกีรับพวกันลาฮ์ดาวพรอุษคดาว่ระเือนนี่รเนี่ยบอกเพงใจส่อกระสินมมบอกเพ่งว่าโยกกรสินมงพ่มโรคกีขนาดหระพ่มอักัตคาร่อมโลกีกลามากพ้อม้ามากพ่มโลกีฝนโลกะมีพ่มโรกุตระอยู่ก็มี มากันเาไเาออกออกอเรืะรยางนขประเดวเนี่ยคือแนเอานี่ีค่เด็กแค่เข้างนเด็สอ่องางเงื่อเงื่อนโมโหผ่มันตอให้ข้าไว้ของอจะเข้าใจว่การต่อตัวสองหออจะเข้าใจกัสองวันตัวตัานี้เป็นารสื่อสารเป็นกรตัดสินใจ อันนี้บ <ológ pool> อกาสมาครไปว่ามัครเขาเทวดาวนน่พวกนั้นเป็นอาภะเพทอยู้วยี่เทวดาวานมันเปลี่ยนพวกนั้นเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์เทวดาับจะเปนมนุยสไปเทวด น, นม้มันแต่นเป็นทั้เทวาแต่ทับงพมนทั้งทั้งคามทั้งอะไต่ว่าแต่าทเลสี่เหลี่ยมใช้แลเขาจะทางานสักเ่รต่างก็เป็นสัทธาโลกอยู่ดรทัเก่าก็เป็นสัทธาโลกอ ย, นนยลล อ, อยู่เหมือนเดิมเชิญสาปลาเล่เหลี่ยมใช้้วเขาจะเจาะกันตายๆเออเธอในชาตินี้ เธอก็มีใจเรื่องใสตอนนีน้แต่สมาธิสนาบัติกา ร, ารดารเธอทไมสามารถจะรู้ได้แล้วก็สิ้่องฟานะแ ล, ะล้วเกิดเกิดเกในสวรค์คนรักสดร่องมากคอามเขาเชื่อเตใจลักได้ทำแสดสังกแล้วนี่ก็เป็นเล่าสิไดเปนนี้ใช้พระพระเกศก็สั่งก็เลยน้ำมันไรที่ใช้พปะระเกศไม่ผ่านพระจัวดาวันไม่ผ่า พะสกาการไม่ผ่านพระนาการไม่ผ่านพระพระหลักฐาสวกพอเต็มภูมิก็ก็เจกอรหันเลยพระพุทธเจ้ากรรมนกันไม่ผ่านพระสัสดาวันไม่ผ่านพระสาการไม่ผ่านพระนาการพอเต็มภูมิก็เป็นอรันกะสมาพระพุทธเจ้าเยนสาวกสาวกทั้งวิาต้องผ่านโ้ดาวันสารนาจะผ่านเร็วด้วยชาเขาเรียกแต่เจ็น กต้องผ่านเช่นนั่งนั่งฟังอยู่ฟังเทศยูยคณะิดเดียวอย่างนี้ผ่านทั้งพระรหัตอย่างนี้ก็ผ่านพระโสดาบันด้นยัเพราะมันผ่านเยอะ ถ้า เ, เขายิงจะรอดมั้งกันจะยิถึงเร็วสักเพีงแล้ว ก, ก, ก็ต้องผ่านเนื้อที่มันกันเนื้อที่เพราะมันมีอะไรก็ต้องผ่านนะแต่มันถึงเร็วเส <c oughs> ้นลกตัวหนึ่ง ให้จับอยู่ปลายไม่เขาก็ยังผ่านแต่ต้นไปเหมือนกันล้ําต้นของมันมัุดมันงกมันไปเร็วคือเขาขึ้นบันไดเหมือนกันคือขึ้นเร็วด้วยชาเขาต้องผ่านบันไดขั้นหน่เหมือนกันแค่แค่เลยใช่ไหมยังไม่พวกเบียดยาเขาก็จะแตกหนามาก มันมันเป็นกรรมของสัตว์สัตผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศ า, าสนาสัตว์ู้นั้นจะไปสูน่นรกมาสัตจําพวกนั้นหรือพักนั้นหรือหมูนั้นหรือพวกนั้นหรือบุคคลนั้น ขาถิ่มใช่ไหมนั่นเป็นวัดนะว่าขาถิ่มเกี่ยวข้อย ขาดทิ้งซะน่าขาทิ้มันก็พันคออยู่นั่นและจะไปบวชเชีารด้วยนะเนี่ยน่ะมไข่จะไม่ขายวิเชะขามันก็บวชแชระลงในน้ำเขียวน่าจะมัไข่จะไมขาวิละขามันบวชเชระลงในน้ so กรรมของสัตว์มันมีระดับต่างกันในแง่ความเห็นของมันชึงแยกกันในโลกเช็ดจิเลตมันก็มีอยู่ทุกๆตัวสัตว์นกหนูปูปีกมันก็มีการมาลาคะมีโทสะมันกับมันสกต่อกับกินกันกับปฏิเส็ไมาได้ม่โลกมันหัดมาจากชาตไหบ้างเกิดมามันก็ไตักันเรืจากเจ็บกรรมเหมือนกัน มัดตรงนั้นกันเมื่อมีราคะโทรศโมหาประจําโกการปฏิบัติเพื่อราคะโทรศโมฮะให้บาหวานหรือรไปก็ปฏิเสธไได้เมื่อมีราาโรคประจํากายพยา่การพย า, พพยาบาลทากายด้วยยูยาก็ปฏิเสธได้ ก็ ม, มีความหิวอยู่ความหิวอาหารการบรรเทาความหิวขอปฏิเสธไม่ได้เมื่อสักคนละกายบมื่อนวุ่นวายนั้นต้องการเดื่มน้ำลายโรง การบำรุงก็งยน้ําไฟลงก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันหาใจเข้าหายใจออกก็คือบำรุงลงมมุภาพก็คือบำรุงเพรกว่ดอุนและปกปิดาการปอกันความร้อนเมื่อมีทุกประจําการการพักเปลี่ยนให้ยาบทก็ปฏิเสธไม่ได้ยื่น นั่งนอนพเนนบะรอนี้หมทุกขกเมื่อใจมีกิเล อ, อยู่ด้านปฏบัติในด้านใจให้เบาบาแล้วเหยแห้หายไปด้านภาะขา์สขัตว์ทุกข์ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมืับ เมื่อในไตโ่โรกร่าจะไม่รู้กอกทุกงานจะปฏิเสธก็จะพ้นไปจากไตลโลกทางก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเนกนทางศาสนะอื่นเขามีเขาเอาวัตถุนิยมมาเป็นเครื่องล่อแต่วัตถุนิยมพระบรมศาสด า, ษ า, ษาบอกว่าวัตถุนิยมที่หามา ได้ในทางที่ชอบลราก็ชมมันดีอยู่ได้ยังอยู่ใต้อูปของอานิจังเนอะเดี๋ยวแคนี้ครับเป็นความแตกต่ า, นนตตายเนอะถ้าไปวางขึ้นตัวลืมตั ล, มตลืมตัวมันก็พุ่งพุ่งไม่หวเพื่อเป็นเบียงเรจะแบบทำชั้นลึก ต, กนนตั้งจาครับให้กับไม่ติดไแค่แค่นั้นแล้วให้เป็นเบียงเรจะแบบทำชั้ลึกไปกว่ า, านั้นก็เกลี่ อย่างละเอียดมันมีอยูอย่อย่างยางมันนีอย่างยางก็ชิ้นห้ามันกําจับไปแล้วชาปงมีชิ้นห้าการถึงว่าเขรทำประสงค์และมีชิ้นห้าบริโภด้วยพระศรีดาวันกําจับไปแล้วยางยางแล้วพระศรดาวันกำจับไปแล้วอย่างละเอียดมาเสียก่อแล้วกับพระสักระตาคังกำจับไป แาละเอียดก่อน่พระอนาคามีกับไปรายละอียที่สุดก็คือพระลังค์กำัไปหมดคืออาุธรกอะเอียดกว่ากันทังไปการเิดบรก่อะอียก่กัไปอี้ว่องมันง่ายสหรับผู้มีกำลังวองเท่มันหนักไม่สามารถแบก้ มันก็หนักสำหรับผู้มมีกำลั ง, ต ง, ลงแต่ผว้มีกำลังมันก็พอยกกนได้พอืนได้การสอเข็มก็เหมือนกันมันก็เลื่อนไปใส้พกตาฟางและตาหลอดแต่ไม่เลื่อนไปใช้พูกตาดีทำไมความเห็นจริงไม่อยู่นในระดับเดียวกัน ก็เพราะกรรมและผลขอกรรมจำเนยียปัญญาไม่เกิดเพราะไม่พิจารณาปัญญาไม่มีชิ้นสมาธิจะมานิยมหยากประตูไหนไม่ชิน้นไม่ไม่มีสมาธิแะปัญญาจำนียร์มาจากประตูไหน เสียงพระสวดารรมสมาธิพรสวดธรรมปัญญาพระสวดารรมก็สมภูมิพระสวดารรมนั่นเองกลมเกลืนกันอยู่เียงสมาธิปัญญาของพระสักคาคารมนีก็สมฉานะของพระตักคาธรรมนี่กลงเกลืนกันอยู่เสียงของพระอนาคามีก็สมฉานะของพระอนาคามีทั้งสมาธิทั้งปัญญากลมเกลืนกันอยู่เสียของพระอรหันต์ก็สมฉานะของพระอรหันต์ทั้งเสียสมาธิปัญญากลมเกลืนกันอยู่ ถึงข้อพเพชรกั้นกันก็สมชันะของพอระเพัเ้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยถึอของข้พะสมาสัมพุเทเจ้ า, เ ป, าเป็นเส้นชั้นประเสิชั้นที่หนึ่งอ ง, องนามีกาลังมากกาลังสติกาลังปัญญามากกว่าเพื่อนหลัใจข้อข้างหนึ่งเพ ร, ราะว่าเราไม่สายาะดมแล้วลึกชาติแ้วแนชาติเดียวที่สุด ถานอนพูดได้คำหนึ่งเบรุษมัสกาสนาพูดได้ตั้งสิบคำเขาไม่ได้แต่ไม่ต้องการคือมากกว่าสีบมันก็ตามฐานะของใครของมันเพื่อเนีปัญญาจะรักษาสิ้นอะไรปัญญาชั้นรักษาสิ้นหปัญญาชั้นรักษาสิ้นแปปัญญาชั้นรักษาสิ้นสองอยเจ็ดสิบปัญญาชั้นรักษาสิ้นสิบปัญญาชั้นรักษาสิ้น จ ะ, าาาาจะเอามาเทียบกันะไได้เก่งก็เหมือนกันสมาธิกเหมือนกัน <c oughs> ปัญญาของผู้อยู่ในโลกียจะเก่งสักเพียงไหนจะเอามาเทียบปัญญาของพระตถาคตทำไรได้จะทําเครื่องเวียนเป็นก่อตามจะทําจรวดและดาวเสียมได้ก็อตามทุกคนเป็นภูมิโลกียะจะมาเทียบกับัญ เขว่าสวดาวันไม่ได้ถ้าสวดอาวันเป็นปัญญาออกจากโรคเป็นเสี้นออกจากโลกเป็นสมาธิออกจากโรคเขาว่าปัญญาในทางวุตสาถนะไปแยกออกเป็นสองทางคําว่าเสี้ยนก็เมัอนกันคําว่าสมาธิของมือนกันคําว่าปัญญาก็เหมือนกันเสี้นสมาธิปัญญาที่เป็นโรคเสี้นสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุทธละเสี้นสมาธิปัญญาที่เป็นโรค ก็ต้องแก่ก็ต้องกันโหนยาวๆตามนี้เป็นัำดับ้งร้านอยู่ในใจโลกาธาก็ต้องจะมาผ่านาศาสน า, าพุทธหมดเหล่มนรูรชูจะมีกิจภาพคือพวกโลกาก็มาผ่านาศาสนาพุทธหมดเสียก่อนเพืจะผ่านเข้าสธรรมะทไมอย่างนั้นก็ได้แล้ว พวกที่ซื้อศาสตรอื่นและที่อื่นมาคุยโมว่าเป็นพระสัสดาบาลเป็นพระาราหอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปเชื่อเลยไม่มีหรอกตกลงมาศาสตร์พูดผู้เขาทุกๆตัองมาตรงกัน Thank you. นั่งนักภายนอกน้่งนักภายนอกจะไม่เท่ากันแต่นั่หนักภายในในปรามาสต่างกันในทางคุณค่าก็าต่างกันเช่นนั่งนักตะโกนนั่งนักทองคามีนั่งนักเท่ากันจะมีราคาต่างกัน ทางวัดดูไหมเนอง ามารมทั่วภ า, ายในน้ำหนักธรรมะของพระตัวดาวันน้ำหนักธรรมะของสกทาคามียาราคามียารหานก็ัตริกันตริย์เจ้นคับคุณสมบัติภายภายัยคุณสมบัติในใจหลวาพ่คคุณสมบัต ของโลกีที่มีเต็มแผ่น่าเลียนาพผ่นในี้ว่าต่อพไม่เท่าคุณค่าพระสวัสดาบันองค์หนนั่น สมบัติภายนอกมีเต็มเป็นท่าเป็นเรียก็ตามครับสมบัติก็ไม่เท่าคนข้ า, ข า, าวเขาพรสดาวันภูมิหนึ่งถ้ามีมากองก็ยิ่งไปใหญ่ละถ้าถาคามีนาคมีก่งอาหารมีองวันกันนับความเห็นอย่างนั้นมันเป็นความเห็นเป็นความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นชอบไม่ใช่ชเป็นาติทิให้คะแนเกินภูมิไม่มีให้คะแนนพระพุทธศาสนา เกิภู ม, มิเหตนจึงมีที่อ้างว่าอปมาโนโอปมาโนธโมอปมาโนทัโถอปมาโนทัโถก็หมายแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มไม่ใช่หมายว่าแต่แตพระทหารแตนเดียวหมายแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะว่าอปมาโนขุดัโมทัโถ ขอทํากัรควาเรื่องสาในพุทธศาสนาะนี่เป็นของําคัญมากถ้าความเรื่องสไม่แน่นมีผู้มาปัน่นเันก็ไปเลยปรีวไปเลยเหมือนนุ่นเหมือนเราช่าขาดสมัชชวดารามันไม่มีใครมามาถอนเกี่ถอนใจท่านได้ให้ออกจัก เขากา็จะสาปน้าได้ถ้าทาคาคันกรรมการพระนาคานเองกรรกานพระนาคาันี่ไม่แล้วนะมาไปในรัฐที่ใดๆก็ชิดจิตใจไม่ไล้เอาอารมณ์ของรัฐทีอื่นมาเชื่ยววัเพื่อมาคืนกินเป็นอาหารเอาอารมณ์ของพระพุทธธรรมพระสงมาคือกินเป็นอาหารของกาย เขามายอมซื้อสาธร้าอื่นแล้วงานมันก็น้อยลงถ้าเรียนได้เยียงคขาว่าเออรับชิพนั่นชิพนี่เขาให้นงินเขาให้ทำงานั้นงานนี้เนี่เขาให้อะไรเันเครงล่อเขาก็ไปเรื่มใช้ของเขาซับเขาของเขาตว่าเรียกเขาัวดวันน้ำม้อยรักาจกันเลยละอะไรตัวไฟคาราบตัวจุโถ มันแคถูกเวรเขาเง้างกันถูกเหรีเขาเง้างกัน ทุกเมตตาขอทศาสนามีชอนเหยียดนี่ลามิตทุกทุกมืเออาราออามิตคือพระเจวัดเีดมนื้ อาหารบ้าื่อะเงยบ้านี่ราไม่ฉะสุกเพื่อแรกเอาเนี่ยราไม่ฉะสุกฉุกมาอินอาเมตฉุกถึงพระพุทธธรรมพร ะ, ระงสงฆ์ฉุกเลยเช้นห้าบริเวณทุกมะโลงละเมิดฉุกมะผูกเวรผูกใครครับใครถึงท้อใจเหี่ยวจะแห้งว้าก็ม่เป็นปัญหาเพราะมีทําเป็นเครื่องรู สามิ ส, ส, ส, สุกทุกอิงอามิท ส, สามส ท, ทุกทุกอิงอามิตรวลาเขาไม่ได้เป็นทุกเวลักลิกเขาได้เป็นสุขเร ย, ก, ยกว่าสุกอิงอามิที่ไม่ชอบทำทสุกอิงอามิทที่ชอบทำรอามาได้โดยชอบทำจะเป็นสุกอิงอามิทถ้าไม่ไม่ได้มาอามิตมาโดยชอบทำ ก็เป็นทุกข์ยิงอาวิธอีอันนี้ก่อนอันนี้ค อ, อีกประเภทหนึ่งก็ระหามาโดยชอบทําทำไมถึงมาสมบูระ์ขงเรานี่เป็นทุกข์แต่ไม่ทุกข์เหมือนที่ได้มาในทางสมัไม่อบ ทุกอันรอย่านี้มันทุกแก่ไขายไดายเราหาทางทำมาหาอย่อางที่เราทำแบบมันไม่ได้สมหวังของเรามันเป็นโชคบ้าเราคนมีประตูแก้นคเรานี่ยละครับคิดรักใจอยู่แต่นั่นมันมีลรับคิดรักใจอยู่นะ โอรสทังหมดจะมาของเรนักตุธะจะโอรสังหมดจะมาขนะนะองอรนะนี้ตัง เ, นะ เ, เ, นะวเ ท, นนะงท ว, า ม, าเวมุตตางุทธเจียรโสดเนาแลวทนผู้กษตรพะบดุขะโยมจงไปตุกเมตุกเป ยาในโรคเนีไม่เท่าพ่าพุธก็ทำประสงค์ยาพ่อพุธก็ทำประสงค์ ก, ก็คือยาในธรรมประวัติเพื่อให้หลังพิริผูมิยาคะขอเอายาอสุภพะทิจารนาผูมีโทสะขอเอายาเมตตาภาวนาผูมิโมหะขออรมณ์พันในเขออกมีะโอ้กินน้อยขอหายน้อยกิ น, า น, า น, านมากขต้องหายา ยาโง่เอายาปัญญาสะอาดไส่วิชาแปลว่าความโง่เป็นกิเลสเมื่อมีวิชามาตอนไหนไหนวิชาตอนนั้นก็หายไปเมื่อความสลาดมาตอนไหนไหนความโง่ตอนนั้นก็หายไปเมื่อความฉลาดใ น, น, น, น, น, น, นดดขั้นสักกาคาัมีมาความโง่ในขั้นสักกะชาคลาังก็หายไป เมื่อความสาในชั้นอนณาคารมอยู่ความโง่ในชั้นอาณาคาร์มก็หายไปเมื่อสะาดความชั้นในพระหานมาความโง่ในชั้นพระหลานก็หายไป เมือ่อล้อเท่าล้อโกตดลงในชั้นโซดาวันร้อโคตรลงในชั้นโสดาวันก็าหายไปเมือ่อล้อเท่าพัติบัตเท่ารถคนเท่าเมือ่อล้อเท่าล้อโคตรลงในชั้นสักคาคาเน่าพัติบัตเท่ารถพ่นเท่าในชั้นก็าหายไปนะยาวยาวอุก ทำไมเขาจึงไม่ปกรมยินดีในระพุราชาราัะก็เพราะกรรมและผลของกรรมเขาผูกพันเขาทำไมจึงไปยินดีในปาประมิตร คือมิจที่เป็นบาปมิจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เพราะกรรมและผลของกรรมของเขาอย่างมัดสัตย์เดเรียนกรรมมาผลทุกข์ถ้าไม่กรรมมาผทุกข์ก็ไม่กรรมปฏิปฏิบัติในกรรมนั้นก็เป็นกรรมทายากาเขาเป็นเขาเป็นญาตในในกรรมนั้นก็เพราะเป็นกรรมโยนี้เพราะจิตเกิดในแดนนั้น กรรมโยนี้แปลว่าเกิดเกิดเป็นทรัพย์ที่ถามหรือเป็ดสุรคารหรืออะไรต่ออะไรนะเรียกแก่เด็กค น, นคนเราไม่ต้นใจในทานานํามฐานนะเพราะถือตัวตัวว่าเป็นคนฉาบคนหมดสไตลยตอนนี้ยังไม่แก่หน้ามายังเป็นอภพภพ บุคคลหธาะบุคคลหลวงพระา้ากต้งค่วงนี่ต้ก็ผ่านมาจากพระพุทธะหละกว่าจะมาเป็นมนุษย์เอ๋ยกว่าจะมาเป็นสัตีูพันธ์เอ๋ยกว่าจะผ่านมาเป็นช่างเอ๋ยเป็นนาเอ๋ยเป็นโคเป็นกระบือเอ๋ยจะผ่านมาเป็นมนุษย์ดีเอ๋ยถ้าเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นมนุษย์ง่วหัวตาบอดหรืออะไรต่ออะไรไม่ เป็นยังเป็นมนุษย์สามชาติอยู่กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตวิเลสสักลากเหมือกักายก็เป็นมนุษย์ด้วยใจก็เรื่องใจก็พวระสาทเ้ด้วยเรียกว่ามนุษย์สัพเปโตมนุษย์สัพเทโกลายเป็นมนุษย์แต่จิตไม่ีคลื่ มนุษย์อันหั่นโตถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเป็นสมมุทติเทพเป็นนิสุทธิเทพเทบในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติเทพสามสมุติเทพคือเทวาดาโดยกำเนิดกม่ใเทวดาคือเ ว, วดาบรรดาผู้ยากต้องทนสมุทติเทพ หรือทั้งพวกมีคนเป็นคร่วอาจารย์หรือพุณพ่อคุณแม่หรือคุณเพื่อนีรอว่าคนแก่เราปฏิเทศเทวนายดยกําเนิดเทวได้เรากำเนิดเช่นว่าเทวไา้นนําต้นไม้เขาคนพระสมุทรก่อนและกวาน ก, าอ ก, กา่อนเทวโลกก่อนอมรโลกก่อน อย่นอากาศกลางหาวก็ดีอยูอากาศก็มีแต อาคาตรังเขอยู่ในมหาสมุทรก็มีโดยดาวเยวดาวเป็นกำเนิดมีสุดเทพมีชุดเทศแบบงออกเป็นสพระทศดาวันแบ่นมีสุิเทพไหมก็แบ่งเป็นมีสุิเทศโดยเอกเทศพระนารามีก็แบ่งเป็นมีสุิเทศโดยเอกเทศพระาคามีก็แบ่งเป็นมีชุเทพโดยเอกเทศพระทหารเป็นมีสุิเทศโดยทิ่งเธอพระทก็ คำนี้สี่จพวกสมาธิภะตะอรหันต์ปัจเจกอรหันต์สาวกสาวิาอรหันต์แลวก็สีาาาา่จาพวกพระอริยบุคคลแปดจาพวกนัาทั้งนัั้งเศญิงด้วยเศายด้วยโดามาตยมัสสัคาใครมัอานาครมันาคตมัโดาตผลสัาคาใค ชนะขันทผลอรหัตตผลแปรวมเข้าพพระเกศข้าพพระเกศ เ, เลือกเป็นเก้ารวมกับพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นสิรวมแต่ ป, ปลายมหาต้นรวมแตต้นมหาปลาก่อนนับพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งนับพระเกศเป็นที่สอนับอรหัตผลเป็นที่สามอรหัตมรรคเป็นที่สี่ อ น, นาคาเนี่ยผลเป็นที่ห้าอนาคา ม, มักเป็นที่หกรักทาใครผลเป็นที่เก็บรักษาใครมักเป็นที่แปลกพระโสดาวัน Zzzz. โควดาวพระเจ้เป็นที่เก้าดาวพระเจามัเป็นที่สิบนับแต่ต้นลงมานับแต่ใหญ่ลงมาฮะนับแต่ชั้นที่หนึ่งลงมาถ้านับแต่ปลาขึ้นตกเพือนทหาก็นับอย่างที่สามกี่นะธนาคามีข้าชั้นพวก แต่กาจากพวกก็มีต่างๆน อ, นอันสารัตอนนี้พายท่านผู้ใหมีพานในหลวงอย่างมันทำเกึงก่งผู้พานจะรอนนี้พายท่านพูดใหญ่นะิจารณต่อส่วนเกึงกึงคำว่าเก่งกึงอายุเก่อายุไข่ ฝากระเขาเรียกายกสังขาเลาเรกายูอสงขาเขาเรียกาียกายโซวอนนัาาฝาขามีหาจำพวกแต่ละจำพวกามีจำแต่ลล้านล้านล้านนั่นกันพระทอดบบันก็ม eh ีสาจำพวกแต่ละจำพวกเขามีจละล้านพระทอดบันเองครีสโหระโระระคตุมะแต่ละจำพวกเาลล้านฝาหนาคมีเป็นสกุาคามป็นจำพวกจ ยังพวกเดียวเราก็ตังร่าดิเองว่างกั น, กนที่พวกโลคีนักไม่ไหวเองว่างกั น, กนลโลคีชาร์ต้าที่เรียชาร์ต้าแล้วก็เป๊ะที่เรียาเป๊ง